สวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะเราพบกันอีกนะคะในช่วงเวลาของรายการสันสนีสนทนาสถานีวิทยุ FM 106ครอบครัวข่าวและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอีก154สสถานีค่ะดิฉันเองได้มีโอกาสสนทนากับ ท่านพระมหาบุญร่วมซึ่งดูแลสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นสถานีวิทยุต้องบอกว่าประเภทที่เขาเรียกว่าเป็นวิทยุชุมชนนะคะแล้วก็เกิดขึ้นมาโดยความพยายามที่จะให้เป็นสถานีวิทยุที่ใช้ในการประกาศธรรมโดยเฉพาะพยายามที่จะไปติดตั้งหนะ้าที่ต่างๆอย่างที่บอกว่ามี154สถานีเนี่ยนะค ะ, ะแล้วก็ธรรมชาติของวิทยุชุมชนถ้าหากว่าใครติดตั้งเครื่องส่งแรงกว่า ก็สามารถที่จะกลบทับคลื่นเดียวกันคือหมายเลขเดียวกันเนี่ยนะคะที่ออกอากาศด้วยกําลังส่งที่ต่ํากว่าได้ก็จึงทําให้ในการดําเนินงานนั้นในบางครั้งก็มีความยากลําบากที่เจอปัญหาเช่นนี้เหมือนกันก็ต่างคนต่างก็ต้องคิดวิธีกันต่อสู้นะคะว่าทําอย่างไรของเราถึงจะกําลังส่งแรงกับคนอื่นถึงจะอยู่ได้ดิฉันดูในหลักการแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าเป็นห่วงน่าจะมีการจัดระบบที่ดีกว่านี้และก็มีความเชื่อว่า โลกที่มันร้อนรุ่มวุ่นวายอย่างทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าเรามุ่งเน้นแต่การที่จะแก้ปัญหานะคะเรียนรู้มาเพื่อแก้ปัญหาโดยที่ไอการที่จะป้องกันปัญหาเราค่อนข้างจะให้ความสําคัญกันน้อยยิ่งเป็นการป้องกันปัญหาที่เราจะได้พบเลยนะั่นส่วนใหญ่มันเกิดจากมนุษย์มนุษย์ที่มีกันอยู่เยอะๆบนโลกใบนี้เนี่ยมันก็เลย ต้องแก้ที่ดิชังเข้าใจนะครต้องแก้ที่คนคือเราต้องสร้างคนเนี่ยให้เกิดมาสร้างปัญหาให้กับทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นให้น้อยที่สุดในมุมที่น่าจะช่วยได้มากการกล่อมกล่าวคนการพัฒนาคนด้วยการให้มีธรรมะเนี่ยนะคะเข้าไปกล่อมเกล่าไม่ว่าจะเป็นคนที่นับถือาศาสนาใดก็ตามทีก็ควรให้เขาเข้าถึงาศาสนาของเขาและยังเมืองไทยเป็นเมืองที่มีพุทธศาสนิกชนเป็นจํานวนมากเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเดชังยังมองเห็นว่า การเข้าถึงคําสอนอย่างถูกต้องเนี่ยยังจะต้องพยายามกันต่อไปถึงแม้ว่าในวันนี้เนี่ยจะมีคนกลุ่มใหญ่ทีเดียวนะคะที่พยายามทําในสิ่งเหล่านี้อยู่มันจะเป็นประโยชน์มากถ้าหากว่าคนที่มีอํานาจนะคะทางภาครัฐเนี่ยได้เห็นความสําคัญแล้วก็ทําเป็นระบบระเบียบยกตัวอย่างเช่นในยามที่เกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคมมีการทุ่มเถียงกันพูดกันเยอะนะคะพูดกันคนละทางก็ทําให้เกิดการทะเลาะกัน พอทะเลาะกาันต่างคนต่างคิดเอาชนะคะาขานปัญหามันขยายวงกว้างไม่มีการแคบลงพระพุทธองค์เนี่ยมีคําสอนนะคะที่จะทําให้การใช้วาจาของคนที่เป็นพื้นฐานในการที่มนุษย์จะติดต่อสื่อสารการันทําความเข้าใจกันเนี่ยให้เป็นการสื่อสารกันโดยทำแล้วจะไม่ทําให้ปัญหาเกิดเป็นการสื่อสารที่ทําให้เกิดสุขสงบสันติรายการเราพูดถึงบ่อยนะคะจะต้องมีการนํามาพูดย้ําอีก ในวันนี้เนี่ยอยู่ในห่วงเวลาช่วงถามโลกตอบธรรมดิฉันได้อารัธนาพระพบูลอภิปุล โ, โนเนี่ยนะคะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เป็นพุทธวัตรจากพระโอษฐ์ในเรื่องของความขัดแยง้งเมื่อวานนี้เราได้เกล็นนากันไปว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่านะคะถึงที่มาของความขัดแย้งเปนการตอบคาถามของ บุคคลต่างๆที่ได้กราบทูลถามพระพุทธองค์นั้นว่ามีอะไรเป็นเหตุบ้างก็มีทั้งที่บอกว่าการวิวาทกันเกิดจากกามเป็นเหตุการวิวาทกันเกิดจากทิฏฐิไม่ตรงกันนะคะการวิวาทกันเพราะไม่เห็นภาพรวมมองกันคนละส่วนมองกันคนละด้านการแบ่งกันเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นเพราะว่ามีความอิจฉาหรือมีความตระนีวันนี้จะเป็น ตอนต่อไปนะคะซึ่งนี้ันเข้าใจว่าไม่เพียงแต่ชี้ทางว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะวิธีแก้ปัญหาแบบพระพุทธเจ้านี่จะต้องคำนึงถึงก่อนนะคะหาเหตุให้เจอว่าเกิดจากเหตุอะไรจะได้ทราบว่าแล้วจะแก้กันอย่างไรทุกสมุทยัยนิโรธมรรคอริยสัจสีที่พระพุทธองค์ตรัสรู้เป็นวิธีทางแก้ทุกคะ่ะเดี๋ยวจะไปกราบเรียนถามใน รายละเอียด ต, ต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งซึ่งดิฉันคิดว่าจะเป็นประโยชน์ที่พวกเราเมื่อรับรู้รับทราบกันแล้วเนี่ยจะนําเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นกับส่วนตัวสังคมที่เราเกี่ยวข้องเล็กๆหรือสังคมใหญ่ๆระดับชาติที่ต้องยอมรับว่าวันนี้เมืองไทยเรามีปัญหาอยู่แล้วก็อยู่ในความไม่สบายใจของคนไทยทุกๆคนนะคะดีิไปพบกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุณโนในช่วงถามโลกตอบธรรมค่ะ